ที่กรอบนี่คือรายการเปิดบันทึกตํานานทุกวัน 5 แห่งนี้นะครับเด็ดๆของบรรดาพระเกจิอาจารย์ แห่งวัดหลวงพ่อโอภาสิเขตบางหนุเตียนฝั่งทนบุรี ที่ฉันอาหารน้อยที่สุดบางครั้งท่านจะไม่ฉันอาหารเลยด้วยซ้ํานอกจากนั้นท่านยังเป็น ตามหลงพ่อโอภาสีท่านเกิดที่บ้านไว้ว่าหลวงท่านเป็นบุตรของนายมิตรโอภาสีเมื่อท่านอายุได้ห้าขวบเกิดที่ ซึ่งอยู่ที่ตั๋วจังหวัดนครศรีธรรมราชและที่วัดโพ ด้วยความศรัทธา 8 ประโยคท่านตลอดจนภาษาบาลีความรู้แตกฉานในด้านพระ 8 หลวงมักจะกล่าวกับใครๆเสมอว่าโอภาสีมักจะกล่าวกับใครๆ จึงออกจาริกแสวงหาสถานที่ที่วิเวกภาวนานอกจากความต้องการที่จะแสวงหาความวิเวกแล้วเนื่อง ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงใช้เวลาส่วนมากบําเพ็ญ มิกะโถลหรือปี้บสําหรับเผาสิ่งของอยู่ข้างๆตัวท่านท่าน หลวงพ่อท่านเผาทำไมครับท่านก็ตอบนานาพระ ตังก็ร่ําหรือว่าท่านเสียสติ 2493 ตอนนั้นเป็น คือโดยที่มาพบท่านมารับใช้ที่จะพูดลงไปในนี้ได้ว่ามาตลอดโดยที่มาพบท่านถ้าจําได้ก็ท่านสอนบอกว่าทําอะไรให้มีสติถ้ามีสติพ่อ แล้วถึงจะไปไหว้ 50 กว่าปีเนี่ยเกือบจะบอกทุกลมหายใจ ท่านเดินทางแสวงหาสถานที่ที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญภาวนาตลอดทางท่านพบอุปสรรคมากมายจนในที่ ปฏิบัติของท่านว่าหลวงพ่อที่มาปักกลดนั้น นำไปถวายท่านท่านก็ไปใส่ในกองเพลิงซึ่งอยู่ตรงหน้าท่านต่างๆไปถวายท่านท่านก็ 2-3 วันก็ 2-3 วันแล้วก็กลับ 2494 ซึ่งปีนั้นแต่ปีแรกแต่แม่ทรัพย์เป็นเดิมอะไรๆเนี่ยก็รู้สึกเกเรมากตั้งนับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ได้รับใช้ท่านท่านก็ดัดกิริบได้สอน <c ười> ผู้มีพระคุณนั่นแหละเราเราพ่อแม่นี่นะๆขึ้นไปเรื่องราว ตำนานของหลวงพ่อโอภาสีที่ลือลั่นนั้นนอก ท่านจะๆท่านซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าฉันเพียงไม่เกิน 3 กรรมซึ่ง ท่านจะสงน้ําเพียงครั้งเดียวคืนสงกรานต์ที่ ก็เกิดความศรัทธาในตัวของหลวงพ่อโอภาสีและก็ร่วม พอเสด็จท่านเข้าใจทําพิธีกรรมครอบที่นี้ให้แก่ พักคิมเซงกิตาตะโมคือเป็นพี่ชายของหลวงอาชมปะปาโลมาเป็นก็เป็นเสียเสียเสร็จร้อยทางคณะ ผู้ที่เข้ามาเคารพสักการะหลวงพ่อโอภาสีมี เพราะยังไม่ทันที่จะกล่าวอะไรออกมาหลวงมากถึงและสร้อยคอถวายให้หลวง แต่เมื่อหลวงพ่อรับไปแล้วท่านก็ได้ทํา และหลวงพ่อท่านได้เผาไฟไปหมดกลับมาวาง เดินทางไปหาหลวงพ่อและบริเวณวัดที่วัดหลวงพ่อโอภาสี เหตุเพราะเหตุที่ว่าต้องถอดรอง กับที่ว่าเราได้เข้ามานมัสการ เรื่องราวตำนานของหลวงพ่อโอภาสีมากมายทั้งเรื่องการสั่งสอนและก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นและเรื่องลือตอนนี้ครับตามตำนานของหลวงพ่อโอภาสี วัดหลวงพ่ออาจจะเป็นเพียงวัดเดียวซึ่งเท่านี้ได้ทราบมาอาจๆล้วนแล้วๆสะพาน รวมไปถึงศาลที่ 8 ขวบแล้ว 50 กว่าแล้ว 3 ปีที่แล้ว ผมก็ไปดูไม่เจอผมก็ไปดูไม่เจอพอผมก็เปิดประตูๆก็มานิมนต์อองท่านเข้ามาในศาลแต่ระหว่างนิมนต์เข้าไปนะฮะมีเสียงนี่ดัง ดังเหมือนแบบคนโห่กันอย่างเงี้ยเกิดเกิดมาชีวิตนี้ตุลาคมพุทธศักราช 2498 หลวงพ่อ ลุกสิบได้หาหมอมาตรวจอาการของหลงพ่อท่านหมอก็ส่งไปยังโรงพยาบาลโดยด่วนหาหมอมาตรวจ 31 ตุลาคมพุทธศักราช 2498 ซึ่งเป็นวันที่หลงพ่อท่านจะต้องเดินทางไปประเทศอินเดียหลงพ่อ เลาะสังขารไปด้วยอาการอันสงบทางวัดเลเล 31 ตุลาคมที่ มาหาในนิมิตฝันด้วยใบหน้าที่ปัจจุบันศพของหลวงพ่อโอภาสียังมิ แต่พูดถึงอะไรแล้วก็ไม่ บวชแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาสักการะ รุ่นเหรียญรุ่น 1 หลังรุ่น 2 พุทธศักราช 2490 เหรียญรุ่น 3 พุทธศักราช 2497 ทั้งมีลูกลงบันไดและไม่มีลูกลงรุ่น 4 คลุฑแบก 2498 ศรัทธานั้นตอนที่ผม 499 องค์หน้าตัก 9 นิ้วผมเองก็ จำนวน 499 องค์ความกับท้าวเจาทุชนจํานวนมากยังจะ จะได้ซื้อที่ฝั่งนู้นเพื่อจะ หมดเวลาครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน